รับฟังที่เคารพค่ะขณะ น, นี้ท่านกําลังฟังรายการสันสนีสนทนาสถานีวิทยุที่ท่านกําลังฟังอยู่คือวิทยุสทอร์เอฟวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะผ่านไปก็คือพระมาชาควโรหลายท่านกําลังอยู่ในสมาธิเรามาฟังรายการที่จะได้สัมผัส สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุท้ทวจนะมาถึงวันนี้ช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะจากพระอาจารย์ไพยบพูลแอพพีปุนโนค่ะกราบมาวัฒนการกันไคะเชิ่อมผ่านค่ะถ้าเป็นในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรคนจะนอนกันดึกมากเลยนะคะโอ้สิงทนายเามีคู่มือโกงความง่วงท่านเคยได้ยินไหมคะอ๋อทำยัง ไ, ไงหละเขาทำยังไงกันไม่เคยได้ยินเนี่ยเขาบอกว่าเอา่อ มีหลายหลากมีแม้แต่กระทั่งการนั่งเขาบอกว่าต้องนั่งย่อนขาสบายๆถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายจะเมื่อยล้าแสงก็สำคัญมาปิดไฟดูฟุตบอลจะทำให้สายตาทำงานมากไปเดี๋ยวนะค ะ, ะเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงเรื่องของความง่วงก็มีทั้งกาแฟทั้งขนมขบเคี้ยว อ่ารับประทานอาหารแนะนําเป็นปลากระป๋องบะมี่กึง่งสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องง่วงปุ๊บนั่งสมาธินะคะอืส่วนใหญ่แล้วนั่งนั่งไปปุ๊บเนี่ยนะคะเข้าสมาธิได้เหมือนกันแต่จะเป็นเข้าชนิดเข้าไปเข้ามาฝันได้คือหลับค่ะ <laughs> หรือบางคนก็ยังไม่ทันถึงหลับแต่มันง่วงง่วงเวลาเดียวกันทํากิจอย่างอื่นไม่เคยง่วง แต่พอนั่งสมาธิแล้วง่วงแล้วถ้าหากง่วงแล้วเนี่ยเพื่พุทธองค์เราสอนวิธีแก้ง่วงไว้หรือไม่อย่างไรคะได้เคยตรัสไว้แต่อันนี้เป็นปัญหาที่ท่านพระมหาโมกขลนะตอนก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์และทําความเพียรอยู่เจ็ดวันในช่วงเจ็ดวันนี้ก็จะปัญหานี้เหมือนกันคือคือคือง่วงนง่วงมากคือแบบโยกเยกไปโยกเยกมาเลยแล้วก็หัวควาหัวหงายเนี่ยล้วก็เลย ทำให้จิตเนี่ยไม่สามารถเป็นสมาธิได้พอเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิแล้วก็เลยไม่เห็นตามที่ที่เป็นที่ควรเป็นก็เลยเทำยังไงก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยมาให้ เ, เทคนิควิธีในการที่จะแก้ง่วงเอาไว้ต้องบอกตรงนี้นิดหนึ่งว่าไอ้ความง่วงตรงนี้เนี่ยไอ้ความง่วงตรงนี้เนี่ย ม, มันมีระดับขั้นอยู่คือหมายความว่าเรากําลังจะแก้ความง่วงที่เป็นเครื่องกางกัน้นที่ทําให้เราไม่สามารถทําจิตให้เป็นสมาธิ นะความง่วงตรงนี้เนะี่ยยังรวมถึงความขี้เกียจขี้ค้านความเบื่อหน่ายพวกนี้ด้วยนะเออหมายถึงความเบื่อเซง็งนะเบื่อจับจดอะไรพวกนี้เป็นความความทีน่มิทะใช้คำว่าอย่างนี้คือความง่วงอนอนด้วยทั้งสิน้นนะัะดับแรกก็คือว่าให้ถ้าคุณคิดเรื่องอะไรอยู่นะคุณไปคิดเรื่องอื่นจัดคือหมายความว่ า, วาถ้าเราความความง่วงเนี่ยนะคุณหยมติ๋วเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลถูกไหมสมมุติว่าเราเราคิดเรื่องเตียงนอนนุ่ม เรื่องความสบายเรื่องความสะดวกสบายโรงแรมห้าดาวแล้วเราก็ง่วงอ่ากันคุณเปลี่ยนเรื่องคิดซ ะ, สะแสดงว่าเตียงนุ่มๆ<ะ>ละดนตรีเบาๆเพราะๆ พ, พวกนี้มันจะเป็นนิมิตของความง่วงให้เปลี่ยนนิมิตฉันะพระเจ<ะ>้าเคยแนะนําในอุบายเรื่องของนิมิตในการที่จะช่วยให้คลายความเรื่องสิ่งสิ่งที่เป็นออกุศลธรรทำไปได้คะ่ะอย่างที่สองถ้าผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วไปนะคิดเรื่องอะไรบางคิดถึงพระเจ้าบ้าง คิดถึงการทำคาวามเพียรพระอง์บ้างคิดถึงสาวกคนอื่นๆในรุ่นปัจจุบันก็ตามในะที่ร่วมสมัยอยู่ในะที่กุบะอาจารย์ที่ท่านทำความเพียรเราก็พอแก้ได้บ้างออแต่ถ้ามันยังง่วงอยู่ให้วิธีที่2องในพะิธีที่2ก็คือว่าให้ใครครวนซึ่งทำนะตามที่ตนได้เคยสดับฟังมาในใครครวนซึ่งทำมันจะเป็นธรรมะตอนที่ท่านมาอ่านในตอนต้นรายการก็ได้นะจำอันไหนได้มาใครครวญนะจําไม่ได้เอาง่า ย, ายๆเอาอิติปิโสอิติปิโสมาใครครวนก็ได้ มันก็จะทําให้ความง่วงคลายไปได้คือสมองเนี่ยถ้ามันมีแอคทิวิตใช่ไหมเนื้อเราคอนเน็ชันมันยิงพับ ๆ, ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพลังไฟฟ้ามีสมองจะไม่กระตุน้นทําให้เราหายง่วงได้ท <c oughs> ีนี้ถ้ามไม่ไหวสู้ไม่ไหวต่อนะทำยังไงนะให้สวดมนต์พระเจ้าบอกนะให้สวดมนต์นะสาทยายมนตามที่ตนได้ฟังมาโดยพิสดารคือโดยละเอียดนะสาธยายมน์นี่ก็สวดมนต์แั้วแหละนะ <c oughs> สวดบนไหนก็ได้ท่องบนออกมาใช้เสียง นะพูดพูดออกมามันก็จะทําให้คลายง่วงได้เหมือนกันนะมนนี้ก็ถ้าเป็นพุทธภจชนะนี่ก็ยิ่งดีมากบทที่วิโสก็ได้นะเป็นภาษาไทยภาษาบาลีแดงนั้นนะแต่ไม่คลายง่วงได้ถ้ายังคลายไม่ได้นะก็ให้ลุกขึ้นยืนเอามือรูปตัวเอามือรูปตัวก่อนนะเอามือรูปตัวก็จะทําให้คลายความง่วงได้เพราะว่าเซลล์ต่างๆได้รับการกระตุ้นขึ้นมานะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ลุกขึ้นยืน แล้วเราก็เอาน้ํำล้างตาเหลียวดูทิศทั้งหลายงัดูดาวงัดูแสงสว่างนั่นก็จะทําให้กลายความง่วงได้การที่เราลุกขึ้นยืนเปลี่ยนรี่นอนงั้นดูแสงสว่างคือคือในในในระบบร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลานินซึ่ง้อร์อมโมนเมลานินเนี่ยจะเป็นซึ่งฮอร์โมนเมลานินเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ระบบทําให้ร่างกายของเรารู้สึกง่วงวมันจะอยู่ที่หลังหู มันจะทํางานน้อยลงก็เมื่อมีแสงเข้าไปในร่างกายของเรานะแสงสว่างเข้าไปทางตาเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราอยู่ในบรรยากาศมืดๆเนี่ยไอโฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยมันจะทํางานมากขึ้นนะถ้าเราอยู่ในที่ที่สว่งสวางนะมีแสงเข้าตามากขึ้นนะฮอร์โมนเมลาโทนินก็จะทํางานน้อยลงเราก็จะง่วงน้อยลงอันนี้เป็นงานวิจัยทางนิติศาสตร์อยู่นะหรือใช่หรือว่าข้อที่6กนะก็เอาจับเอามือจับที่หลังหูมือจับที่หนะูเอามือย้อนช่องหูก็หมายว่า ล้วงเข้าไปในหูจากหูกระตุ้นที่หูเพราะไอฮอร์โมนตัวนี้ไอต่ำตัวนี้มันอยู่ที่ด้านหลังหูเพราะฉะนั้นการที่กระตุ้นตรงนี้ก็จะทําให้ไอฮอร์โมนี้ทํางานน้อยลงด้วยอันนี้เป็นข้อที่หนะข้อที่7ก็คือว่าให้นึกถึงแสงสว่างนะด้วยเทคนิคเดียวกันแสงสว่างนี่จะทําให้ไอฮอร์โมนที่ว่านี้มันทํางานน้อยลงนะแล้วก็ข้อที่8ถ้าบอกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วนะด้วยวิธีทางเดินก็แล้วอะไรก็แล้วเดินจกรมนี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะ ก็ก็ไม่ได้แล้วก็ให้นอนซ ะ, อะนอนเนี่ยก็ต้องนอนด้วยท่าสี่ขาสี่ขาคือตะแคงข้างขวาแล้วเราก็ตั้งจิตเอาไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนะคือบางคนรู้สึกตัวแล้วนี่ก็ขอต่อยข้ามละสี่สิบวินาทีอันนี้ไม่เอาอคือรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันทีคือบางคนเนี่ยเหนื่อยเต็มที่จริงๆมันก็ต้องพักผ่อนบ้างนะพอพักผ่อนบ้างเนี่ยเราก็รู้สึกตัวพุกเราก็ลุกขึ้นเลยนะอย่าให้ไปหาความสุดด้วยการเองกายด้วยการ เคลิ่มหลับพวกนี้ไม่ดีคือคือคือบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิคุณโยมติ๋วนะเพื่อที่เจาะจงเต็มที่เลยว่าฉันจะไปหลับอย่างเงี้ยคือนั่งในท่าหลับในท่านั่งอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ไม่ถูกต้องเลยว่าคุณจะมีความยินดีในการเคลื่มหลับอันนี้ไม่ถูกค่ะก็อาจจะต้องปล่อยไปนะคระเพราะคนพวกนี้ไม่มีใจมาตั้งแต่แรกนะใช่ใช่คือหมายความว่าดีละที่ทํางานให้นั่งสมาธิหรอเดี๋ยวฉันจะหลับ อ่อย่างเงี้ น, นะคะก็คือก็ได้การหลับไปนั่นแหละแล้วก็เสียประโยชน์ใหญ่ก็คือเข้าสานะคะจัดให้นั่งสมาธิท่านผู้ฟังที่โรคค่ะขนาดนี้เนี่ยท่านพินบุลกําลังแนะวิธีว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้สอนว่าหากนั่งสมาธิหากทําสมาธิใช่ไหมคะอันนี้คงเน้นการนั่งถูกไหมคะอ่าถูกต้องได้ทุได้ทุกแบบจะแก้ย่างการนะคะก็เริ่มที่เปลี่ยนเรื่องคิดมาคิดเรื่องที่ควรคิ ด, คดนะคะใช่ใครควรทําตามที่ได้สดับมาเป็นอันดับสอง สวดมนต์เป็นระดับสามอันนี้สวดก็แล้วแต่ว่าจะสวดมีเสียงหรือไม่มีเสียงหรือเปล่าคะก็ได้ทั้งนั้นใช่นะคะแต่ว่าถ้าสวดมีเสียงนี่อาจจะกระตุ้นได้มากกว่านะคะเ อ, อการ<ล>สวด น, นี่ก็หมายถึงว่าให้ท่องบนทซ้ําไปซ้ํามาอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสวดมนต์แล้วยังยังไม่สามารถที่จะทําให้หายง่วงให้ท่านเอามือรูปตัวอืเป็นการเหมือนกับไปปลุกตัวเราเองใช่แล้วก็ต่อจากนั้นก็ให้ลุกขึ้นยืน ถ้าไม่สำเร็จด้วยการรูปตัวให้รูปขึ้นยืนงั้นดูแสงสว่างเลยค่ะงั้นดูแสงสว่างก็ได้แล้วก็พอประการที่หกให้เอามือย้อนเข้าไปในช่องหูคือดิฉันฟังท่าจาอธิบายเนี่ยบอกว่าเหมือนกับว่าแค่หูนั่นแหละเท่ากับไปทำให้เมลาโทนินใช่ไหมคะการทำงานเนี่ยฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินค่ะอ่า ดิฉันตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะท่านพิูลผู้อย่างนี้เหมือนกับเข้าข้างพระพุทธเจ้ามากเลยว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ว่ามีสารฮอร์โมนชนิดที่เรียกว่ามลาโทนินอายุมา 2,600 กว่าปีมาแล้วอายุมาเคยไปทํางานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการนอนตั้งแต่สมัยเป็นคารวาส<ถ>เราต้องการนอนน้อยเราต้องการที่เรียกว่าเขาเรียกว่า super powerful sleep คือนอน 3-4 ชั่วโมงเราก็อยู่ได้ทั้งวันนะเป็นเวลาหลายๆเดือนหลายๆเป็นปีอย่างนี้ก็ได้ แต่ทีนี้มันก็เขาก็ทางแนัวิทยาศาสตร์หมอนะหมอเป็นคนพูดเรื่องนี้นำเมลาตินินแกล น, นผลิตฮอร์โมนที่เชื่อว่าเมลาตินินที่ทำใหร่างกาย ง, ง่วงเอา้ามันมาอยู่ตรงหลังหูมันสากวทิทยาศาสตร์ประดินั่นแหะสิคะตอนแรกดิฉันยังนึกว่าเอ๊ะท่านพิบูลทําไมรีบสรุปอย่างนั้นแต่พอนึกต่ อ, อท่านก็ไม่ได้สอนให้แยงจมูกนะซึ่งมันมีมันมีอวัยวะคล้ายๆกันที่จะอะถ้าหากว่าคิดว่าการแยงเข้าไปแล้วมันทําให้ กระตุ้นจริงๆนะคขยี่หูขยี้ตาท่านก็ไม่ได้ส่งแน่นอนอืมใช่อ่าก็<ช>น่าที่จะเป็นไปอย่ามที่ท่านพิบูลพูดว่าพระพุธองอาจจะส่งรู้ในตอนนั้นนะคะว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้สามารถเรียกมนเป็นชื่อแบบสากลแบบทุกวันนี้แต่เป็นอันว่าก็ทรงรู้ตำแหน่งว่าตรงไหนถึงจะทําให้หายง่วงนะะแล้วก็ ให้นึกถึงแสงสว่างออันดับที่เจ็ดหลังจากยอนช่องหูแล้วยังไม่เรียบร้อยเนี่ยกับสุดท้ายให้นอนนนอนแต่ให้นอนตะแคงข้างขวาใช่ไหมคะใช่สิหัสายาแล้วก็ตั้งจิตแปล ว, ว่าขณะนอนเนี่ก็ปล่อยให้ง่วงวง่วงงี บ, บได้สิคะท่านคะเอ่อใช่ก็ก็หลับไปเลยหลับไปเลยอ๋อหลับไปเลยหลับไปเลยแล้วก็พอรู้ตัวให้ตื่นทันทีรู้สึกตัวเขาให้ลุกขึ้นทันทีแต่สิ่งที่ท่านจะกราบเรียนถามท่านทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่แปดนะคะีค่ะในเมื่อเรามีอาการง่วงอยู่ในสมาธิที่พระพุทธองค์ทรงแนะวิธีทั้งหลายเนี่ยเรายังจะต้องอยู่ในสมาธิด้วยหรือเปล่าคะาจิตที่เป็นสมาธินี้อยู่ในอิริบดไดก็ได้คือเหมือนกับว่ามีสมาธิไปด้วยเปลี่ยนเรื่องคิดไปด้วยอย่างมีสมาธิอย่างนั้นเหรอคะสามารถทําได้สามารถทําได้คือคือเรื่องคิดเนี่ยเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเนี่ยหมายความว่าเาเราถืออนิมิตนี้แล้วพอจิตเราคลายง่วงแล้วเราก็ ก็เลิกเลิกนิมิตนี้ไปอก็ปล่อยให้เป็นสมาธิตามปกติญาปีใช่ใทีนี้พอไปสักพักนึ่งมันอาจจะง่วงอีกอ่าเราก็ใช้นิมิตอีกอันนี้มิแก้ไม่ได้แล้วทําไงอ่างั้นก็ลองสวดมนต์ดูอย่างเงี้ยคก็หลายไปก็เท่ากับว่าในระหว่างที่มีสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะไข้ครวญทำในสมาธิก็ได้สามารถทําได้สามารถสามารถสวดมนต์ในสมาธิก็ได้ได้สวดมนต์อย่างมีสมาธิก็ได้เช่นปรับเรียนให้ท่านผู้ชมและท่านฟังเศร้านะคะ ว่าตัวเองเนี่ยก็มีการอ่านพุทธวจนะบันทึกเทปอย่างที่เคยพูดรปวันก่อนเวลาอ่านพุทธวจนะเนี่ยก็จะตั้งใจมากเพื่อที่จะให้เป็นไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นวกตอนถ้อยคาชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับการฟังเพื่อสมาธิอ่านเองเได้สมาธิเองนะท่านค่ะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าจิตสมาธินี่นะคุณโยมติเราต้อ ง, ต, องต้องทความเ ข, ข้าใจนี้นิดหนึ่งว่า สมาธิเนี่ย ถ, ถ้าจะพูดกันด้วยศภาษาไทยนะครับสมาธิที่มันสัมปรียกวนเลยเราเอาภาษาไทยก็คือการที่จิตเป็นหนึ่งถามว่าการที่จิตเป็นหนึ่งเนี่ยมันขับรถคุณก็ต้องจิตเป็นหนึ่งนะคุณดูงานที่เขาลูกน้องส่งมาเราก็ต้องจิตเป็นหนึ่งนะเราประชุมเราทํางานเราคิดเลขอยู่ห้องสอบจิตคุณต้องเป็นหนึ่งทั้งนั้นเลยนห็ออกมเพราะฉะตรงเนี้ยจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ย นี่คือสมาสมาธิพระรูปธรพูดถึงสมาธิฏฐิสมมาสังกัปปอะไรเจ็ดอย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นนะ่ะคือสมาสมาธิค่ะองั้นเวลาแยงจมูกนะคะแล้วก็แยงหูไหมก็เออขอไปค่ะทีฉันพูดผิดเอาใหม่นะคะท่านอาจจมูกคือผิดที่ถูกต้องเป็นหูนะคะ่ะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็มีสมาธิ ในขณะที่ทำนั้นด้วยได้จะได้ไม่เสียการในสิ่งที่พยายามทำสมาธิมาตั้งแต่ต้นรวมไปถึงเมื่อเหยียดกายนอนตะแคงขวาที่จะหลับก็เอาจิตอยู่ที่เดียวได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะแน่นอนเลยนะคะดิฉันเนี่ยมีประสบการณ์ที่นั่งรถกลับแล้วก็สามารถเหยียดขาได้ในรถ น, น, นะคะอืมฮึมก็ก็นอนเหมือนกับพักผ่อนเพราะเหนื่อยมาก แล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อการนอนแบบมีสมาธิตลอดทั้งการนอนเนี่ยนอนได้จริงๆแปลกมากค่ะแล้วรู้สึกได้พักด้วยนะคะแต่ว่าเราจะรู้มีสมาธิตลอสิ่งที่เราเรารู้สึกตัวได้คำถามที่ท็อปฮิตมากเลยคือเวลาคนมาเรีเยนปฏิบัติแล้วเนี่ยมาถามอยู่เป็นประจำเดี๋ยวคนนั้นก็ถามคนนี้นก็ถามว่าออทำไมนอนแล้วรู้สึกตัวตลอดเลยนฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอปฏิบัติไปได้สามสี่วัน เราก็ต้องถามตัวเองกลับต่อว่าคือไม่ต้องมาถามตัวเราก็ได้นะถามตัวเองเลยก็ได้ว่าพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเรง่วงไหมเราเพลียไหมถ้าเราไม่ได้ง่วงเราไม่ได้เพลียแสดงว่าช่วงที่นอนไปเนี่ยเราเราได้พักผ่อนนั่นกันได้พักผ่อนแต่การที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเป็นสติที่เรามีไงแปลมากซึ่งเมื่อก่อนเรา ไ, ไ, <ป S 2> ไม่มีะะเป็นไปได้เป็นไปได้และก็เท่ากับว่าเราได้พักผ่อนแบบพ้อมพรอมกันด้วยได้ถูกต้องถูกต้องคุณพนะักผ่อนด้วยคุณมีสติด้วยตื่นมาคุณไม่เหนื่อยด้วย แล้วคุณมีกําลังด้วยอันนี้ถูกต้องนี่ดีตลอดด้วยอดิฉันเคยไป<ำ>ปฏิบัติธรรมแล้วก็นอนกันเป็นแถวเนียนะคะออืออเพื่อปฏิบัติธรรมที่เขาปฏิบัติเก่งมากเวลาทั่วท่วไปแต่เพิ่งไปนอนอยู่ในห้องเดียวกันครั้งนั้นดิฉันสังเกตนะคะสามสี่วันที่อยู่ด้วยกันเวลาเขานอ น, นเขาสงบมากไม่มีขยับกาย ม, มีดิดไม่มีอะไรนะใช่ค่ะเอนะเป็นเรื่องน่าทึ่งนะคะเพราะว่า เป็นการนอนที่พิเศษมากเขานอนนิ่งทั้งคืนค่ะค่ะแล้วก็<ไ>การการนอนตรงนี้ก็ทำทาได้ดีมากถามว่าเราทำได้ทุกวันไหมทำได้ทุกวั น, นยิ่งดีจริงๆเลยแต่แต่ดิฉันไม่ทุกวันนะคะท่าน <c oughs> <c oughs> ต้องพัฒนาการนอนใหม <c oughs> ่คือคือหรือบางคนเนี่ยช่วงระหว่างวันตอนกลางวันเนี้ยกินข้าวมาเสร็จก่อนช่วงเวลานิดนึงสักยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีตอนกลางวัน ทำได้อย่างนี้โอ้โหตอนบ่ายนี้จะเป็นเวลาที่เราบุมบุ่มบึ้มได้ตลอดเลยเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวไหมคะแน่นอนเป็นเป็นสมาธิผ่อนด้วยใช่อย่างที่ตามคําสอนเลยถูกต้องเลยค่ะค่ะด้านฝั่งนี่ยค่ะก็ทําให้เราได้เข้าใจถึงการอ่าทําสมาธิการแก้ง่วงในระหว่างทําสมาธิและคิดว่าคงจะทำให้หลายๆท่านในสบายใจขึ้นเยอะและรู้เทคนิควิธีอะไรต่างๆขึ้นอีกเยอะ จากพระอาจารย์ยพยุนและพิปุโ น, โนนะคะที่เมตตานําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะเนี่ยนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับท่านทั้งหลายกราบนพิธ ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเนียมปานท่านทั้งสองที่พบค่ะและท่านกําลังฟังรายการสัมมนาสนทนาที่ชั้นสัมมนาณภพกำลังดําเนินรายการนะคะทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวร้อและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติค่ะพุทธวัจนะเป็น ค่อยคาที่ล้ำค่าที่สุดในโลกสำหรับพวกเราชาวพุทธค่ะเราควรนะคะที่จะศึกษาตรงไปและมีโอกาสก็ใคร่กลวนและนำไปใช้จะได้มีการอ้างอิงในการที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะลงหนังสือพุทธจนณะจะให้กับท่านวันละสามเล่มที่เบอร์ 02-269-0006 นะคะติดต่อกันเข้ามาทิ้งคำถามไว้ก็ได้ ส่วนคำถามนั้นจะไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะคือ t h e ยวธร a .com/106 ของท่านเพบุญค่ะวันนี้เราลากันไปเท่านี้เพื่อที่จะไปพบกับท่านอีกในวันพรุ่งนี้ตามเวลาของเราคือตี5นะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ